เป็นเวลาที่เราจะฟังธรรมกันก็การที่ได้มาจเจริญในกุศลธรรมไม่ว่าจะปฏิบัติ ในทานศีลภาวนา <c oughs> ก็ล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อความสุข <c oughs> และก็ความเจริญแห่งจิตวิญญาณ <c oughs> ก็มีโยมที่เขา ได้ปฏิบัติธรรมจนใช้ความเพียรบางผู้บางคนปฏิบัติจนถึงคำว่าเข้ากรรมฐานดูอารมณ์จิ <c oughs> ตอาตมาเองก็ ได้เจอโยมที่ออกจากการเข้ากรรมฐ า, านมาบางคนก็เข้าเจ็ดวันบ้างเก้าวันบ้างก็สุดแล้วแต่พอเจอธรรมาก็ก็บอกว่าโยมคำว่าความสุข จริงๆในขั้นพื้นฐานโยมจับคำให้ดีนะคำว่าความสุขโดยแท้ในขั้นพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาก็คือการที่ได้รู้จักคำว่าประมาณตน คำว่าประมาณตนแล้วก็มองไปข้างหน้าก็คือมองไปสู่ในอนาคตคนรู้จักประมาณตนแล้วก็มองไปสู่เบื้องหน้าคืออนาคตเนี่ยที่รู้จักคําว่าตนนั้น คำว่าพอนะถ้าเราเข้าใจคำว่าประมาณตนได้ในปัจจุบันและก็มองไปข้างหน้าคืออนาคตแล้วรู้จักคำว่าพอชีวิตก็จะอยู่อย่างผู้สงบ และก็มีความสุขแบบเรียบง่ายแต่ถ้าโยมมองไปข้างหน้าแล้วก็ไม่รู้จักคำว่าพรยิ่งได้ยิ่งอยากยิ่งมากก็ยิ่งอยากมียิ่งมีก็ยิ่งอยากได้ยิ่งอยากได้ก็ยิ่งอยากเป็นยิ่งอยากเป็นก็ยิ่งอยาก มันก็เพิ่มไปอีกเรื่อยๆจนไม่รู้ว่าเรามองอนาคตมันมันสิ้นสุดอย่างไรมันอยู่ตรงไหนอนาคตและอะไรคือความสำเร็จในที่สุดและที่สุดคืออะไรสุดท้ายจะตอบไม่ได้เพราะอะไร อารมฟังต่อเพราะเวลามองอนาคตอย่างบางคนต้องการด้านวัตถุพอได้วัตถุสิ่งนี้แล้วก็ยังไม่พอก็แสวงหาวัตถุได้มาก็ไม่พอได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่พอไม่พอ สุดท้ายก็มันยังไม่ใช่ครั้นพอสแสวงหาชีวิตได้ชีวิตมาแล้วก็ไม่รู้จักชีวิตได้มาก็ไม่รู้จักพอได้มาก็ไม่รู้จักรักษาทิ้งปลาคว้างสุดท้ายวัตถุก็ไม่รู้จักพอ ได้ชีวิตมาก็ไม่รู้จักรักษาแลแต่มาก็อยากจะรู้ว่าที่สุดแสวงหาอะไรวัตถุก็ไม่รู้จักเพียงพอเท่าไรก็ไม่พอได้ชีวิตมาก็ไม่รู้จักถนอมรักษาดูแล ที่สุดบุคคลนี้ก็จะไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรคิดอะไรสุดท้ายอยากได้อะไรก็ตอบไม่ได้เพราะว่าไม่ประมาณตนหนึ่งแล้วในชีวิตปัจจุบันสอง ไม่รู้จักคำว่าพอสุดท้ายรู้ไหมคำว่าการเจริญสติก็คือการดูแลจิตที่เราสามารถควบคุมจิตใจได้นี่คือตอนสำคัญ เช่นนักปฏิบัติภาวนาจะเป็นการภาวนามากี่เดือนกี่ปีแต่สิ่งที่สำคัญนรรู้ไหมคำว่าสติที่เราฝึกกันเพื่อการดูแลรักษาควบคุมจิตใจถ้าเราควบคุมจิตใจไม่ได้ สุดท้ายอะไรก็ไม่ใช่เชื่อไมลายุมผู้ภาวนาวัตถุก็ไม่ใช่สิ่งของอะไรก็ไม่ใช่ชีวิตมนุษย์สัตว์น้อยใหญ่ก็ไม่ใช่เพราะบุคคล น, นี้เขาไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจ ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ไม่สามารถควบคุมกวามโลภโกรธหลงได้น่าเสียดายจันนั้นผู้ภาวนาผู้ปฏิบัติจงเข้าใจหลักสุขพื้นฐานเบื้องต้นเรียบง่ายคือรู้จักประมาณตนนี่คือสุขในปัจจุบัน มีอย่างไรเราก็พึงอยู่พึงได้พึงใช้พึงมีพึงเป็นอยู่กับสิ่งนั้นให้มันเหมาะสมก็จะเกิดความก็เรียกสมดุลกันมันไม่สุดโตแล้วก็จะมีความสุขในชีวิตที่เป็นอยู่เมื่อมองไปสู่อนาคต เราจะต้องรู้ว่าเราคำว่าพอมันอยู่ในจุดไหนดูอายุดูวัยดูพละดูกำลังบวกลบคูณหารสแสวงหาอะไรวัตถุสิ่งของ ชีวิตบุคคลสุดท้ายเมื่อประมาณตนได้มองไปอนาคตรู้จักเพียงพอคำว่าเพียงพอจะมาบอกไม่ได้ว่าเท่าไหร่มันแล้วแต่ความสามารถของบุคคลนั้นไม่จำเป็นต้องตั้งว่าเป็นหลักพันหลักหมืน่นหลักแสนหลักล้านสิบล้านร้อยล้านเนี่ย มาไม่ได้สนใจตัวเลขแต่สนใจตรงที่ว่าโยมเข้าใจคำว่าความประมาณตนที่อยู่แล้วชีวิตเรียบง่ายก็มีความสุขมองไปอนาคตรู้จักอนาคตว่าเราควรจะพอแล้วก็เพียงพอ ในชีวิตที่เราเป็นอยู่และยอมจะเข้าใจทุกอย่างถ้าโยมไม่เข้าใจและหยุดชีวิตไม่ได้แสดงว่าการเจริญสติล้มเหลวการอบรมจิตตะภาวนาล้มเหลวเพราะไม่สามารถเอาสติ รักษาจิตใจได้อบรมจิตใจได้ดูแลจิตใจได้แต่มาก็ขอบปรับว่าล้มเหลวสุดท้ายความโลภความโกโรธและความหลงมันก็ยังเป็นอาจมของชีวิตที่เรายังติดมันอยู่ เหมือนตกอยู่ในหลุมคูดมูดแล้วยังขึ้นมาไม่ได้แต่โยมก็พอใจตะเกียรตะกายดำผุดดำโผล่หายใจติดติดขัดขั ด, ขดไม่สะดวกเอาเฉยเลยแสดงว่าไม่เคยเจริญอาณาปานาสติหายใจสบายาปลอดปโปร่ง เช่นหลักของการภาวนาธรรมะจึงบอกที่โยมเก็บอารมณ์ในเมื่อโยมรู้จักประมาณตนได้ในปัจจุบันและมองไปในอนาคตทั้งวัตถุบุคคลสิ่งของสุดท้ายโยมเข้าใจคำว่าพอเพียงหรือคำว่าเพียงพอแล้วเนี่ยโยมจะประสบความสำเร็จอีกระดับหนึ่ง แล้วเมื่อเจริญสติดีอบรมจิตใจได้ควบคุมอารมณ์น้อยใหญ่ได้โยมก็บรรลุเพิ่มไปอีกขั้ น, นแล้วเมื่อเข้าใจสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งต่อหน้าและก็รับหลังทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบัน เราจะไม่ร้อนใจร้อนก็แค่กายเราจะไม่เหนื่อยใจเหนื่อยก็แค่กายเราจะไม่มีความอยากแห่งใจมีแต่ความหิวแห่งร่างกายมันสุดยอดจิตใจมีแต่ความปลอดโปรง่งสบาย ถ้าภาวนาได้ถึงจุดนี้แต่มาบอกต้องสาทุกันหน่อยคืออนุโมทนากับผู้ภาวนาที่ผ่านเย็นผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านมายาผ่านกิเลสน้อยใหญ่มาได้นั่นแหละคือคนที่ควบคุมจิตได้สะกดอารมณ์ได้ บังคับชีวิตตัวเองให้เดินตามกรอบแต่ไม่ใช่บังคับแบบที่ถูกคมคู่นะเขาเรียกว่าประคองชีวิตตัวเองประคับประคองให้เดินอยู่ในกรอบได้พะยะมก็ฟังเาก็ ก็เข้าใจดีเออเมื่อโยมเข้าใจแล้วโยมจะไปสู่โลกอนาคตอัตมาก็ไม่ได้ห้ามโยมจะอยู่ในขณะปัจจุบันอัตมาก็ไม่ว่าอะไรโยมจะถอยใจไปสู่อดีตในเมื่อโยมไม่หลงไหลต่อสิ่งใดอดีตอนาคต และปัจจุบันรวมความมันก็คือชีวิตและก็จิตใจที่เราดำเนินผ่านมาเรียกอดีตหยุดยืนดูอยู่เรียกว่าปัจจุบันมองไปสู่การที่ยังมาไม่ถึงเรียกว่าอนาคตถ้าเข้าใจใจต้องทุกข์ใจ ทุกข์กายก็พอแล้วแก่เจ็บตายก็เป็นความทุกข์จะบอกเป็นรางวัลชีวิตมันก็ไม่เหมาะเนาะบอกแก่เจ็บตายเป็นรางวัลชีวิตฟังแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นรางวัลหรือจะบอกเป็นผลงานชีวิตแก่เจ็บตายมันก็ ไม่เหมาะเ็าจะเป็นผลงานดีแต่จะเรียกว่าอะไรดีแก่เจ็บตายต้องเรียกว่าเป็นกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติที่เป็นธรรมะชักลงสู่ไตรลักษณ์เรียกว่าสามัญลักษณะที่มีโดยทั่วถึงกันอ น, นิจจังทุกขงังอนัตตา สุดท้ายทุกคนก็มาลงตรงจุดนี้จิงบอกว่ารวยได้อยู่ได้เพียงกี่ปีเป็นหนี้สินอยู่ได้เพียงกี่วันคืนและ ว, วันที่ผันเปลี่ยนไปชีวิตของเราไม่รู้อยู่ตรงไหน ใครรู้ช่วยบอกทีตอนนี้โยมอยู่ไหนถ้าโยมตอบสั้นๆง่ายๆบอกก็นั่งอยู่นี่ไงฟังอยู่ไงถ้าถามยังงั้นจะมาไม่ถามก็ได้แต่ถามว่าชีวิตของโยมเดินอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนชีวิตของโยมจะไปไหน โยมบอกว่าเดี๋ยวจะไปข้างวันนี้จะไปซื้อของอถ้าถามอย่างนั้นตอบอย่างนี้ตมาก็คงไม่ถามแล้วก็ไม่อยากฟังคำตอบแต่ชีวิตจริงๆโยมจะไปไหนโยมพูดว่าไปตมามองหินโยมไม่ได้ไปเลยโยมบอกไม่ไปยังไงเนี่ยขับรถอยู่เดินอยู่ อ๋อถวาไปก็ไปเดี๋ยวตมาจะมานั่งดูทีหน่อยเอากลับมาที่เดิมแล้ววกวนแล้วก็เวียนกลับมาที่เดิมนั้นในบอกว่าไปแล้วออไปไปแล้วกลับมาอีกออวกวนเวียนพวกเรายังไม่ได้ไปไหนเลยจากวัฏฏสงสาร จิตใจของพวกเรายัางไม่ได้ออกเลยแล้วไหนบอกว่าไปอย่างไปก็ไปธุระไปก็ไปซื้อของหาปัจจัยสี่หาข้าวปลาอาหารขนมน ม, นมเนยเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคมันก็ไอเดิมเดิมนั่นแหละแค่ดำรงชีวิตเพื่อให้อยู่อย่างผู้มีปกติ หนาวพอหนาวก็เอาผ้ามาหม่มเพื่อรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เราอยู่หิวหาอาหารมากินโถก็แค่ประทังชีวิตก็ไม่เห็นว่าเป็นเรื่องใหม่ถูกไหมโยมก็แค่นั้นแซื้อบ้านหลังใหม่หลังใหญ่สุดท้ายก็เอามานอนมานั่งอยู่มันก็ไอค่าเท่าเดิ บ้านเช่าก็นั่งนอนได้ผิดแต่ว่าความรู้สึกว่าไม่ใช่ของเราแค่นี้เองอาจจะมาตอนนี้ไม่เกี่ยงหลับเป็นสุขตื่นขึ้นมาเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงโดยประมาณของวัยเป็นสุข เพราะธมะไม่ได้คาดหวังว่าอายุห้าสิบหกส็เราต้องแข็งแรงแบบเด็กอายุ24 2สี่ห้าไม่ใช่ตอนนี้โยมการุณาโปรดเข้าใจหลักความจริงโดยคาว่าแข็งแรงพอเราชมแหมหกสิปียังดูแข็งแรงอยู่นะเขาบอกแข็งแรงแบบห0สิปีนะ ไม่ได้หมายถึงว่าโยงแข็งแรงแบบอายุสามสิบห้าหรือสามสิบนะถ้าไม่เชื่อนะไปกีีดเส้นวิ่งร้อยเมตรห้าสิบเปนนี้ขอบหัใจจะวายแล้วจริงนั่นก็เรียกว่าเรียกว่าแข็งแรงแบบคนห้าสิบหกสิบ จะมาบอเออเราเริ่มเข้าใจและเริ่มยอมรับความจริงด้วยหลายคนเข้าใจแต่ไม่ยอมรับความจริงนี่จะเป็นความผิดนะยมเข้าใจแล้วต้องยอมรับความจริงอย่าไปต้านมัน น้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำฉันใดชีวิตมนุษย์สัตว์น้อยใหญ่ก็เป็นฉันนั้นบางคนบอกจะใช้เทคโนโลยีแล้วจะสูบน้ำที่ต่ำขึ้นมาสู่ที่สูงไปมันก็คือไอ้วนเวียนอีกนั่นแหละก็ไม่ได้ไปไหนถูกไหมล่ะมันก็วนเวียนสุดท้ายก็ ที่มันไหลลงก็จากที่สูงลงสู่ที่ตำ่ำโยมเอาเทคโนโลยีดูจากที่ต่ำขึ้นที่สูงก็แกลเลนน้ำตกไปแล้วกันแต่ว่าหลักของธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ใครไปเปลี่ยนมันไม่ได้ไม่ได้ไไดถ้าโยมเปลี่ยนตรงนี้ได้โยมก็สั่งฟ้าสั่งฝนสั่งพายุสั่งแผ่นดิน ให้ทำตามใจที่ยมอยากจะทําแต่ยมสั่งไม่ได้พอยิ่งปฏิบัติพอเข้าใ จ, จเจริญสติดีอินทรีย์บา ร, รมีที่เราเราพูดกันมาตลอดชีวิตเริ่มที่จะแก่กล้าขึ้นแก่ได้เพราะอะไรยมเมื่อก่อนจะมอกอินทรีย์จะแกะ่แก่ได้ยังไงเนาะ ต้องมีพาละห้ายอนสีห้าจึงจะเป็นเหตุของการบรรลุคุณธรรมขั้นสูงขึ้นไปอีกเออเขาบอกทำศรัทธาให้มันคงมีกำลังยมเข้าใจใช่ไหมคำว่ า, ากำลังก็สรุปว่ามันก็นเป็นแรงแล้วกันนะออกำลังมันมีแรง ช้างมีกำลังก็ยกของได้ม้ามีกำลังมากก็วิ่งให้คนขี่ได้คนมีกำลังก็ยกสิ่งของได้แต่ศรัทธาภละหมายถึงว่ากำลังที่ศรัทธามันไม่ใช่แรงตรงนี้ แต่มันเป็นกัมมะศริษาโยมรวบรวมศรัทธาได้ไหมศรัทธาให้เป็นกำลังตมะก็นั่งดูศรัทธาให้เป็นกำลังและกำลังศรัทธามันคืออะไรมันไม่ใช่เป็นแรงไว้ยกของไม่ใช่เป็นแรงเอาไว้วิ่ง ศรัทธาไปหาที่ไหนนะศรัทธาพละหนึ่งในคุนพลหศรัทธาพละพละศรัทธายมฟังแล้ว ก, กำหนดดูไปด้วยว่าศรัทธาพละโยมไปหาที่ไหนพละในที่สุด เราจะรู้ได้ตรงที่ว่าเราเจอเหตุการณ์เหตุการณ์ก่อให้เกิดได้ทุกๆเรื่องโยมเชื่อไหมทั้งดีทั้งร้ายทั้งสุขทั้งทุกข์สมหวังผิดหวังได้มาจากไปอ๋อสุดท้ายศรัทธาพละก็คือ เราไม่หวั่นไหวจะเกิดอะไรขึ้นศรัทธาในองค์พระพุทธองค์พระธรรมองค์พระสงฆ์ศรัทธาในศีลศรัทธาแห่งคุณงามความดีแล้วอย่าหวั่นไหวอย่าหวั่นไหวอะไรจะเกิดขึ้น ศรัทธาอาตมานั่งดูเสมือนแกนล้อล้อจะหมุนเท่าไหร่แกนล้อก็ยังนิ่งอยู่ศรัทธาต้องมั่นคงอย่างนั้นล้อจะสะดุดอะไรจะตกหลุมอย่างไรแกนล้อก็ยังคงนิ่งอยู่ ถ้ามากบเออก็แสดงว่าศรัท ธ, ธาพระละก็คือเราไม่หวั่นไหวต่อองค์พระพุทธองค์พระธรรมองค์พระสงฆ์คุณศีลคุณธรรมคุณแห่งความดีงามใครว่าทําดีไม่ได้ดีเราก็ไม่หวั่นไหวเราเข้าใจคําว่าทําดีได้ดี กรรมดีกรรมชั่วมีผลความกระตันยูมีผลบาปบุญคุณโทษแยกแยะดีชั่วแยกแยะโดยตัวมันเองไม่ใช่คารมปากของใครพูดแล้วก็เปลี่ยนมันได้พระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ใครเปลี่ยนไม่ได้พระธรรมคำสอนชี้ทางให้คนมีแสงสว่างใครปิดบังไม่ได้ พระสงฆ์ผู้บําเพ็ญเพียรปฏิบัติดีชอบประพฤติตนอยู่ในกรอบใครก็เปลี่ยนสิ่งนี้ไม่ได้ศรัทธาที่เรามั่นคงที่ดำรงอยู่เราก็อยู่ในสิ่งนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นศรัทธานี้ก็ยังเหมือนเดิม หรือมากขึ้นกว่าเดิมแต่มาถึงบอกเวลาเจอปัญหาอุปสรรคเวลานั้นต่มาจึงรู้ว่าเขาท้าทายปัญญาเรามีปัญญาจริงไหมถ้ายมมีปัญญาจริงเราจะแก้ไขพอแก้ไขได้จะเกิดความภาคภูมิใจถ้าชีวิตมันเรียบเจอดไปเลยเนี่ยโยมันก็เหมือนกับผ้าที่ไม่มี ไม่มีลวดลายมันก็แค่นั่นเองโลกทั้งใบเป็นสีเดียวไม่ใช่มันต้องมีการตัดมีลวดลายเห็ น, หนึงบอกเออตัมมาจึงนั่งดูใช่ศรัทธาตั้งมั่นฝ่าฟันทุกอย่างคืนวันผันผ่านศรัทธามั่นคง ดำรงจิตมั่นแสดงว่าไม่หวั่นไหวชันยมจะต้องมีคาว่าไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณศีลคุณธรรมคุณแห่งความดีงามแล้วเราจะไม่ย่อท้อเมื่อเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าอ่อนเพลียหรือเมื่อเราถูกทอดทิ้งจากบุคคล แต่โยมจะไม่ทอดทิ้งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณแห่งความดีงามคุณศีลคุณธรรมถ้าทําได้อาตมาบอกการทดสอบของเทพธยดาทั้งหลายของเรามารทั้งหลายถือว่าโยมสอบผ่านแต่เขาไม่บอกว่าข้อสอบมีเมื่อไหร่อยู่ในป่าหรืออยู่ในเขาในขณะอิ่มหรือหิวในขณะเห็นความสวยหรือเห็นความไม่สวยเขาไม่บอกเรา ธรรมะจริงบอกค ร, ครูแห่งจิตวิญญาณในการทดสอบผลเนี่ยมาแยบยนต์กว่าที่เรามานั่งคิดออกข้อสอบให้นักเรียนสอบสอบเอ็นทานเลยมันยากกว่านั้นตั้งเยอะถึงบอกว่าบททดสอบชีวิตไม่ง่ายเหมือนที่คิดบางคนก็บอกชีวิตมีพิษ บางคนบอกชีวิตมีภัยบางคนบอกชีวิตห้อมร้อมไปด้วยอันตรายมันก็จริงแต่เราจะอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยตระมาตอบให้ไม่ได้อยู่ที่ยมจะเดินอยู่ที่ยมจะพูดอยู่ที่ยมจะคิดอยู่ที่วิถีชีวิตที่ยมจะไป ใครตอบแทนใครไม่ได้อย่านึกว่าจบมหาลายชีวิตแล้วปลอดภัยว่าจะไม่ถูกฆ่าตายต่อมาไม่เชื่อว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุต่อมา ก, ก็ไม่ไม่เชื่อทุกอย่างคำว่าไม่คาดฝันเกิดขึ้นมามากต่อมากแล้วในชีวิตโยมเองโยมหลายๆเรื่องโยมก็ไม่คาดฝันใช่ไหมและเป็นไง ไม่ได้ขาดคิดและเป็นไงโดยเฉพาะญาติโ ย, ยมที่ชอบไปคำประกันคนอื่นและแม่ไม่เป็นไรเขาดีไม่เป็นไรคำสุดท้ายมาทวงคอตัวเองวันดีขึ้นดีนี่ไม่ได้สร้างเลยมาเป็นนี่แทนมันก็มีเรื่อง ไม่เหตุใดก็เหตุนเนี่ยเกิดเ็าตายขึ้นมากระทันหันใครแหละจะมารับผิดชอบคนคำประกัน น, นั่นคือรางวัลที่โยมจะได้คือแบกนีสินภาระอันยิ่งใหญ่ต่อไปบ่นไปก็เท่านั้นฉะนั้นก็อย่าหวั่นไหว <c oughs> ก็โยมตัดสินใจแล้วนี่ที่ ทีแรกเนี่ยนะทีแรกเราก็คิดว่าไม่มีอะไรเขาดีช่วยเธอพี่น้องกันหรือเพื่อนกันอะธมาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถามว่าเราประมาณตนเลยยังแล้วก็มองไปอนาคตเนี่ยเราเพียงพอเลยยังถ้าสิ่งนั้นสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกับเรา เอเมนโยมจะบอกเออคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงมีพระราช ด, ดำริมาหรือรับสั่งไว้เนี่ยเป็นคำไม่ตายและเป็นธรรมะที่ขยายได้มากมายและเป็นบทความชีวิตที่ใช้ได้ไม่รู้จบ และเป็นความสงบสุขอย่างแท้จริงด้วยพยมเข้าใจเสร็จปุ๊บศรัทธาจะบอเออเข้าใจแล้วอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราไม่ทิ้งองค์พระพุทธไม่ทิ้งพระธรรมพระสงฆ์ไม่ทิ้งศีลไม่ทิ้งธรรมไม่ทิ้งความดีงามความกระตันอยู่ ศรัทธาอย่างนี้แหละยึงเป็นก้าวที่จะเดินไปสู่ทุกทุกแห่งหนในโลกใบนี้ที่โยมจะไม่ไม่เสียหลักหรือว่าผิดพลาดหรือว่าล้มแล้วไม่รู้จะเข้ามาลุกขึ้นสู้ต่อฉะนั้นศรัทธาตัวนี้ไม่ธรรมดา มันก็จะกลัวเลยนะถ้ายมมีศรัทธาพละเป็นอันดับแรกนะ mm hmm. เนี่ยก็จะกลัวหัวใจโยมมีองค์พระพุะทธธรรมพระสงฆ์มีคุณศีลคุณธรรมปกปักรักษาอยู่ความชั่วร้ายทั้งหลายเข้ามาใกล้ไม่ได้จะไม่อยู่ร่วมกับเราให้เป็นนิสัยหนึ่งอันเดียวกันเนี่ย ไม่ได้แยกกันโดยธาตุแยกกันโดยดำกับขาวมืดกับสว่างผิดกับถูกดีกับชั่วบุญกับบาปนรกและสวัสด์เขาแยกกันโดยชัดเจดฉนฉันโยมจะต้องจะมาบอกเอ๊ะทำยังไงเราจะได้มีภาระจะได้มีธรรมสูงๆเมื่อก่อนก็คิดหนักนะเออยทำยังไงเนอะ ที่แท้ใจเราเองชีวิตเราเองตัวเราเองสิ่งทั้งหมดคือชีวิตของเราเองได้หรือไม่ได้โยมได้ไหมศรัทธาพระยากก็เท่าชีวิตของโยมง่ายก็เท่าชีวิตของโยม ไม่มีใครจัดสรรเลือกให้ได้แล้วก็ไม่มีใครจะเปเสด็จแทนโยมได้ถ้าโยมสร้างมันขึ้นมาศรัทธาพระมันก็เกิดหนึ่งในห้าขุนพะลถ้าโยมทำได้นะอาจจะมาว่ามรรคผลนิพพานเนะี่ยไม่ได้อยู่ไกล และก็ไม่ใช่ยากเกินที่เราจะไปเมื่อก่อนต่อมาก็รู้สึกว่ามันมันเกินกำลังนะพ อ, พอฟังคำว่าอาราหารแล้วแต่พอเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเข้าใจความจริงของชีวิตและเข้าใจความจริงของธรรมแล้วเนะี่ย เราอยู่อย่างสบายยมมองธรรมชาติมีความสบายอย่างไนถ้าโยมใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติโยมก็จะสัมผัสกับมันได้แล้วเราไม่ต้องแบกอะไรเจอดอกไม้แค่ดูชมแต่อย่าเด็ด แค่ดูชมแต่ยาเด็ดเอามาดมแล้วก็จมอยู่ว่าของเราให้คนอื่นเขามาดูต่อเขาได้เห็นความสวยมาช้ากว่านั้นก็จะเห็นความโรยราไปก็แล้วแต่โลกใบ น, นี้เป็นเวทีชีวิต อย่าไปจริงจังกับมันมากแต่ทำอะไรก็ให้มีความจริงใจอยู่เท่านั้นแหละโยมแยกคำให้ได้และโยมจะเข้าใจชีวิตถ้าจริงจังจนมากเกินมันก็ทำลายความสุขของตัวเองและคนอื่นเรื่องจริง ดันั้นอย่าจริงจังมากแต่ให้จริงใจทำอะไรก็ให้มีประมาณได้สิ่งไหนมาก็ให้รู้จักเพียงพอสองคำนี้ชีวิตสุขจริงหอรอพยมได้ภรรยอย่างดี พออินทรพลลามีพิริยะความเพียรหนึ่งในคุณพลในข้อสองความเพียรเนี่ยยมต้องสร้างเองเกียรคร้านก็ตัวเราขยันก็ตัวเรามักง่ายก็ตัวเราเป็นคนพิถีพิถันก็ตัวเรา หลายคนเคยถูกเขาด่าว่าเป็นคนมักง่ายขี้เกียจเกียดคร้านโยมแก้ไขได้แก้ไขได้สติควบคุมจิตรักษาจิตขยันได้ ทำอะไรก็อย่ามักง่ายทำให้มันดีอย่าทำลุกลวกทำให้มันดีแล้วสิ่งที่ออกมามันก็คือสิ่งที่ดียอมยอมเป็นผู้เสียสละก ดีกว่าที่เป็นคนเห็นแกียตัวเ พ, เพราะคนเห็นเกียรตตัวสุดท้ายเป็นคนไร้ค่าอายมุมคนเห็นแก่ตตัวเอาเปรียบผู้อื่นสุดท้ายชีวิตไร้ค่าไม่มีค่าเลยและเขาจะไม่ได้รางวัลชีวิตแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่คนที่เสียสละเป็นคนที่มีคุณค่าตั้งแต่เริ่มเสียสละวันแรกจนถึงวันตายใครจะยอกย่องหรือไม่ใครจะชมเชยหรือไม่ก็ตามแต่สิ่งที่โยมทำอยู่จิตวิญญาณของโยมสิ่งที่ภูมิใจที่สุดก็คือ โยมได้เสียสละแล้ก็ทำดีถ้าโยมเริ่มต้นคำนี้ได้ผู้ปฏิบัติเริ่มต้นสิ่งนี้ได้ตามาว่าคนนี้ถ้าเป็นหยกก็หยกชั้นดีถ้าเป็นเพชรก็เพชรเม็ดงามถ้าเป็นคนก็ต้องเป็นสุภาพชนอย่างดี ไม่ธรรมดาหรือเป็นมหาบุรุษในที่สุดก็ได้แจนยมต้องเริ่มสร้างความเพียรอะไรที่เขาว่าทำไม่ได้โยมทำให้ได้อะไรที่เขาบอกยากและโยมทำได้ ยมจัดชนะผู้อื่นแต่ก่อนอื่นต้องชนะใจตัวเองถ้าทำได้การทดสอบครั้งนี้ถือว่าผ่านวิริยะความเพียนเป็นการผ่านประการที่สองมันไม่ง่ายนายโยมเหนื่อยทุกคนก็อยากพักง่วงทุกคนก็อยากหลับนอน แต่ว่าถ้าการงานไม่เสร็จเวลาชีวิตของเรามีน้อยยมต้องเลือกสิ่งที่มันอะไรที่สำคัญกว่าตัวนี้แต่มาจะดูอะไรหนักอะไรเบากว่าเพราะรู้ว่าชีวิตบางอย่างเลือกเวลาเดียวสองอย่างไม่ได้ มันต้องได้อย่างหนึ่งแล้วก็สูญเสียอีกอย่างหนึ่งไปแล้วเมื่อเลือกแล้วต้องไม่เสียใจแล้วใจต้องไม่เสียการตัดสินใจอย่างนี้โยมต้องมีสติให้เยอะสติก็เป็นหนึ่งของพาระและจิตต้องได้สมาธิ หรือมีสมาธิด้วยเมื่อตัดสินใจไปแล้วสติสมาธิต้องช่วยเหลือกันตมบอกคุณผลห้าเขามีหน้าที่นะทำหน้าที่แต่ละหน้าที่ไม่ให้พร่องถ้าเราสามารถทำได้รวมกันได้เอออะไรหนักเบากากัดยมช่างดูก่อน แต่มาตอบแทนโยมไม่ได้เขาบอกสำลีหนึ่งกิโลกรัมกับหินหนึ่งกิโลกรัมโยมว่าอะไรหนักกว่ากันหินกับสำลียังบอกว่าสำลีเบากว่านะสำลีเบากว่าถูกต้อง แต่ถ้าพูดถึงว่าหนึ่งกิโลก ร, รัมด้วยกันน้ำหนักพอกันเมื่อถึงเวลานั้นโยมต้องดูผลได้ผลเสียแล้วสิ่งที่ได้เราทำให้ใครเสียใจไหมและสิ่งที่เราต้องยอมเสียบางอย่างบางเรื่อง เราต้องเสียใจแค่ไหนหรือต้องใช้คาว่าเราแบ่งปันความสุขให้ผู้อื่นอริมาตอบแทนไม่ได้ตรงนี้ตึองบอกคุณธรรมยากที่จะพูดให้จบยมว่ายมมีคุณธรรมไหมจริงเรอ ถยมบ อ, อกโยมเป็นคนมีคุณธรรมเรื่องไหนบางเรื่องยมก็ไม่มีคุณธรรมจึงบอกว่าต้องมีสติและต้องมีสมาธิอย่าเข้าข้างตัวเองถ้าคิดจะเป็นผู้เสียสละถ้าคิดจะเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ ตัวตนของเราบางครั้งก็เป็นหมาดโยมเคยพูดไหมตัวตนของเราเองแท้จริงก็เป็นหมาดการเสียสละโยมต้องละตัวตนถ้ายึดถือตัว ต, วตนการเสียสละจะไม่เกิดผลเหตุผลตรงนั้นมันไม่ใช่ จึงบอกว่าสติสมาธิถ้าสองอย่างนี้ใช้แล้วยังไม่พออีกภาระตัวที่ห้าคือปัญญาโยมต้องใช้คำว่ารอบรู้ก่อนก็คือใช้เหตุผลพิจารณาโดยรอบเลย ทุกมุมทุกแง่ยิ่งกว่าการเรียกประชุมหาเหตุผลมานั่งโต๊ะหาเหตุผลมาแต่ละคนจุดดีจุดเสยียจุดบอดจุดสว่างสรุปเมื่อสรุปแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นหนึ่งต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นสองต้องไม่ทำร้ายตัวเองถ้าสองประเด็นนี้อยู่ในเหตุผลนี้นะหนึ่งไม่เบียดเบียนผู้อื่นสองไม่ทำร้ายตัวเองทีนี้โยมก็ดูว่าใครได้ และก็ได้ใครถึงบอกบทความชีวิตต่มาไม่เคยนักเขียนคนไหนเขียนให้จบลงได้ด้วยนามปากกาแม้แต่นําปากกาว่าหลวงพ่อตายก็เขียนให้จบไม่ได้หลวงพ่อเกิดก็ให้เขียนจบไม่ได้ไม่ได้ มันซับซ้อนซ้อนซับมีเงื่อนซ่อนเงื่อนมีถูกมีผิดผิดตอนหนึ่งถูกตอนหนึ่งสลับขั้วกันอยู่เอาตอนไหนอยู่เริ่มแรกเขาบอกว่าคุณมาด่าดฉันด่าดฉันมากๆคุณผิดฉันก็ทนไม่ได้ฉันก็ ตอบเธอเนี่ยพอตอบเสร็จไอ้นูบอกทำไมต้องลงไม้ลงมือถึงขนาดนี้หรือไอ้นุบอกก็ใช่เพราะคนด่าฉันฉันเสียหายฉันทนไม่ได้ฉันก็ตอบเธอคนด่าแรกก็ผิดคนตอบที่สองก็ทำเขาเกินไปหรือเปล่าไม่รู้ ตบเขาก็ผิดแล้วยมว่าใครผิดคนนี้ผิดก่อนหรือคนนี้ผิดหลังแล้วใครผิดแล้วใครถูกโยมต้องเป็นคนที่สามตามาบอกผิดทั้งคู่และก็ถูกทั้งคู่ ทำไมตัดสินอย่างเนี้ผิดที่เธอไปด่ามันก็ทนไม่ไหวเขาก็ตบเธอมันก็ถูกแล้วที่เขาตบเธอแต่เธอก็ผิดที่ไปตบเขาเพราะเขาแค่ด่าเธอแล้วถามว่าเข้าข้างใครบอก ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดผิดทั้งคู่ถูกทั้งคู่เพราะทั้งสองขาดการยับยัง้งไม่มีปัญญาไม่มีสติไม่มีสมาธิขาดสามข้อ น, นี้พรห้าอยู่ไม่ได้ตรงนี้แต่ถ้าเขาด่าแลยหยมไม่สนอง คนเขามองอยู่คนที่ด่าคือคนเสือกแต่คนถูกด่า ก, ก็เสียหายได้แต่ไม่ได้เป็นคนเสือกนะก็ฟังแต่ถ้าเราตบเขาด้วยเราเองก็แสดงถ้าต่างคนไม่ถอยคนละก้าวเรื่องก็ไม่จบสุดท้ายก็ถูกปรับที่โรงพักให้ยุติ ถ้าไม่ยอมความก็ฟ้องกันถึงกับทำร้ายร่างกายก็ฟ้องกันชีวิตไม่สงบสุขผิดทั้งคู่เพราะชีวิตเราไม่ต้องการอย่างนั้นถึงบอกเออยมใช้ปัญญาถ้าคิดจะเป็นผู้เสียสันละ โยมต้องเข้าใจคำว่าหัวใจของผู้เสียสละหลายคนให้ทานแต่ใจไม่ให้ให้แต่วัตถุไม่ได้ให้ด้วยใจไม่รู้สึกว่าให้ทานมีความสุขไม่รู้สึกว่าให้ทานเป็นการช่วยเหลือ แบ่งปันให้ผู้อื่นที่เดือดร้อนอยู่ให้เขาได้มีความสภาพที่ดีขึ้นในช่วระยะสั้นๆโยมต้องเข้าใจถ้าเข้าใจหมดพละหา้าโยมศึกษาได้และโยมก็เริ่มที่จะอบรมอินทรีย์ภาระให้เกิดขึ้น ศรัทธามั่นคงความเพียรตั้งมัน่นสติมั่นคงจิตสมาธิตั้งมัน่นปัญญารอบรู้พิจารณาและจะไม่พลาดตทนีมารก็จะมาย่อมายุจุดไหนยมก็สอบผ่านได้แต่น่ากลัวตรงไหนรู้ไหมตรงที่ว่ามาไม่บอกเลเดินเดินเอาขาขัดล้มตึงลงลุกขึ้นได้ โทสะท่วมหน้าโมโหท่วมตัวหมดแล้วสติถอยก่อนปัญญาไม่พิจารณาแล้วสมาธิไม่ตั้งมัน่นศรัทธาหายไปไหนหมดคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์หมดฉะนั้นระวังการโต้ตอบ สิ่งจําเป็นที่โยมต้องควรระวังแล้วสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นโยมน่าจะพิจารณาควบคุมจิตใจก่อนการใช้กําลังโต้ตอบมันก็คือสงครามดีๆนี่เอง เราไม่ชอบสงครามเราชอบสันติเมื่อโยมบอกทนไม่ได้ยมก็เป็นเหยื่อของมารคำตอบมันก็ไม่มากเขาย่วเราจนเขาสำเร็จประโยชน์ที่ทำให้เราเป็นมารได้พอผ่านไปยมก็รู้สึกพระอาจารย์ท่าน ทันเทศได้ถูกกลับไปสู่ห้องกรรมฐานใหม่นั่งสํานึกตนใหม่ทําไมเราไม่หยุดฉุดก็ไม่อยู่จิตใจที่พรั้งพลูออกไปด้วยอารมณ์น้อยใหญ่ใหญ่จริงไม่ห้ามบอกห้ามไม่อยู่ใหญ่จริงไม่หยุดบอกหยุดไม่ได้ ใหญ่ยยจริงไม่ได้เพราะไม่รู้จักกาไมงแพ้หรือยอมหนักเบาเสียแค่นี้เมื่อไม่ยอมพอเราโหมใส่ไฟเข้าไปก็ไหมอีกก็เสียหนักไปอีกสุดท้ายใจของยมเองก็เสียยมบอกทำแล้วฉันจะไม่เสียใจแต่สิ่งที่ยมทำในใจมันสูญเสียความดีงาม แล้วโมไม่เสียแต่มาไม่เชื่อมานมาครอบงันสอบไม่ผ่านสอบตกถึงบอกเออยากก็แสนยากอยู่กับคนไม่มีศีลเป็นบททดสอบของพระอรหรันต์ดีๆนี่เองยมอยู่กับคนดีสิ่งแวดล้อมดี เราก็เข้าใจว่าเราเป็นคนดีแล้วดันดีโดยสิ่งแวดล้อมนะโยมไม่เด็กที่ว่าเสียคนเสียคนพอเจอสิ่งแวดล้อมไม่ดีเด็กก็ถูกชักชวนไปในทางเสียหายได้ง่ายแต่ถ้าเด็กอยู่ในสิ่งแวดล้อมดีอะไรก็ดีหมด ฉันบอกตามมาบอกในเวลานี้อย่าเข้าใจว่าเราจะดีจริงแต่พอตกไปในสิ่งที่ไม่ดีตอนนั้นแหละเป็นสิ่งที่วัดใจและพิสูรจน์จริงๆว่าเราดีจริงแม้สิ่งแวดล้อมไม่ดีแต่เราก็ยังรักษาความดีและยังเป็นคนดีไม่ให้ความชั่วมาเพื้อนหรือปะปนได้ นี่จึงเรียกว่าสอบผ่านดังนเวลาโยมเจอะเจออะไรขึ้นมาระมัดระวังหน่อยอย่าพึ่งแสดงตัวตนให้แสดงเหตุผลถ้ารู้ว่าเหตุผลของเราดีถูกต้องก็ไม่ต้องไปจองเวรจบตรงนั้นได้ไหม ถ้าจบได้เวนก็ย่องรักงักด้วยการไม่จองเวนแต่ถ้ายมจบไม่ได้เราก็ไม่ต่างจากคนที่เขาไม่ปฏิบัติสุดท้ายยมก็จะเสียหลักของมนุษย์ผู้ประเสรศิฐแล้วก็เสียหลักใจที่เป็นหลักธรรมไปยมต้องรักษาให้ดี อีกหน่อยเราก็จากทุกอย่างไปแล้วใยต้องยึดมั่นกับสิ่งนั้นทุกอย่างต้องสูญเสียใยต้องมาเสียใจกับสิ่งใดอีกโยมต้องสรุปตัวเองให้ได้เหมือนในห้องประชุมต้องสรุปอย่าปิดกั้นตัวเองด้วยความคิดตัวเองอย่าปิดกั้นเหตุผลด้วยใจของตนเองที่ชอบหรือไม่ชอบ อาณนะกระสมควรเวลาขอยุติการปรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกกฎเทิน